รัตรัรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14สุตตันตปิฎกมัชฌิมานิกายอุปริปันนาฏวักที่หชื่อสลายตนาวักแปลว่าวักกำหนดด้วยอายตนาหพระสูตรที่4ี่อนาถปินทิโกวาทสูตรสูตรว่าด้วยการให้โอวาดแก่อนาถปินทิกะเขารือหะเบดีพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนาราม สมัยนั้นอนาถบินทิกะเครือหบดีไม่สบายเป็นไข้หนักจึงส่งคนไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบและให้ถวายบังคมแทนตนกับส่งคนไปอาราธนาพระสารีบุตรไปยังที่อยู่ของตนเพื่อเป็นการอนุเคราะห์พระสารีบุตรรับนิมนต์แล้วก็ไปเยี่ยมไต่ถามโดยมีพระานนท์ตามไปด้วยเป็นปัจฉาสมณนะคือภิกษุ ผู้ติดตามคขรหาบดีกล่าวตอบว่ามีทุกขเวทนากล้าจึงกล่าวธรรมะสั่งสอนคือหนึ่งท่านพึงสำเนียกว่าจะไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจและวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจสอง ท่านพึงสำเนียกว่าจะไม่ยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะคือสิ่งที่พึงถูกต้องด้วยกายและธรรมะคือสิ่งที่พึงรู้แจ้งด้วยใจและวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยรูปเสียงรสโผฏภะธรรมะ 3. ท่านพึงสำเนียกว่าจะไม่ยึดถือวิญญาณหก มีจักขุวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางตาเป็นต้นและวิญญาณของท่านจะไม่อาสัยวิญญาณหกมีจักขุวิญญาณเป็นต้น 4. ท่านพึงสำเนีกว่าจะไม่ยึดถือสัมผัสคือความถูกต้องหกมีจักขุสัมผัสความถูกต้องทางตาเป็นต้นและวิญญาณของท่านจะไม่อศายสัมผัสหก มีจักรุสัมผัสเป็นต้น 5. ท่านพึงสำเนียกว่าจะไม่ยึดถือเวทนาความรู้สึกหรือสวยอารมณ์หกมีจักูุสัมผัสสัชาวเวทนาความรู้สึกอารมณ์อันเกิดแต่สัมผัสทางตาเป็นต้นและวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยเวทนาหกมีจักูุสัมผัสสัชาวเวทนาเป็นต้น 6. ท่านพึงสำเนียกว่าจะไม่ยึดถือธาตุดินธาต้น้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศและธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุและวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยธาตุดินเป็นต้น7ท่านพึงสำเนียกว่าจะไม่ยึดถือขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ และวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยรูปเป็นต้น8ท่านพึงสำเนีกว่าจะไม่ยึดถืออรูปฌานสี่คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะและวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยอาการสานัญจายตนะเป็นต้น เาท่านพึงสำเนียกว่าจะไม่ยึดถือโลกนี้โลกหน้าและวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยโลกนี้โลกหน้าสิบท่านพึงสำเนียกว่าจะไม่ยึดถือสิ่งที่เห็นได้ฟังได้ทราบได้รู้แจง้งได้สแสวงหาได้ติดตามด้วยใจและวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยสิ่งนั้น นาถบินติกะเขเรหาบดีได้ฟังก็ร้องไห้พระอนนท์จึงถามว่าท่านยังติดยังอะไรอยู่หรือขรอหบดีตอบว่าไม่ได้ติดไม่ได้อาลัยแต่ไม่เคยได้ฟังธรรมิกถาอย่างนี้เมื่อทราบว่าธรรมิกถทาเช่นนี้ไม่ได้แสดงแก่เขเรหัดผู้นุ่งผ้าขาวแต่แสดงแกบ่บรรพชิตจึงขอร้องพระสารีบุตร ให้แสดงแก่ขรือหัดบ้างเพราะกุลบุตรที่มีกิเลสน้อยมีอยู่จะเป็นผู้รู้ธรรมะได้ไม่ได้ฟังก็จะเสื่อมจากธรรมะไปพอพระสาวรีบุตรและพระอานนุ์กลับแล้วไม่นานอนาถบิณฑิกะขรือหาบดีก็ถึงแก่กรรมไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วกลับมาปรากฏตนถวายบังคมพระผู้มีพระภาค กล่าวสุภาษิตและชมเชยพระสารีบุตร